คือ่างนี้ก็ว่าคือว่าคือตัวจิตนี่เออไม่ใช่ตัวจิตมีผู้นั่งดูดูธรรมชาติคือว่ากำกำังทำกันธรรมชาติกแดงอยู่คือันกแดงอยู่ด้วยันนั่งดูแลอยู่ตลอดเวลาว่าอ้มันทำอะไร่ารบางทีมันนั่งมันนอนมันมันเดินมันไอ้มันกินมั้งอย่างนี้คือของธรรมชาติทางทางนั้นมันเ็บมัง อย่างนี้เขาจะไ ม, ม่ชอบนั่นไม่จะเนของเราคือเราดูและดูแต่อย่างเดียวและเราจะไม่เอาเรามารีนคือมาเรียนใ ย, ยุไวว่าเออเราเกิดมาในโลกนี้คือได้อยู่กับหนูของทุกอย่างนั้นเราจะเบื่อแลยไปเบื่อไปเลยไปเบื่อไปเราจะไม่เอาแล้วนี่คืออย่างนี้อย่างอางเดียวเราก็จาะยำทัศนว่าเอ คือความคิดมาจากไหนความคิดเข้ามาต่างตาได้ข้ามาต่างหูนี่ความคิดถ้าหูมันไม่ยินตาไม่เห็นแล้วความคิดที่จะไม่เคยที่เคยจะนี่จะลงใจวะเล่าต้องเออนั่งเออนี่อะไรก็เลยอย่างนี้วอาเออเราเราอยู่เราอยู่ในโลกนี้เราได้เรียนให้จบแล้วและเราจะไปพานนั่นคือเราต้องําจิต อย่างเดียวาทาผิดอย่างเดียวให้สั่งหัวใจโบสุดอย่างเดียวนี่เล็กโตโตโ ต, อตอว่าเราจะไปนะั่นเราจะให้จบให้จบแล้วนี่แล้วเราหลักษานใจเนี้ยใจพุท ธ, ธนี้คือใจดั้งเดิมนี่คือใจดั้งเดิมของเราที่เราจะที่ได้มาได้มาเกิอดอยู่ในร่างกายอยู่ในขันนี่คือเป็นขันห้าคือขันห้าทั้งนั้นแท้แดงไม่ได้เป็นของเรา ตาไม่ใช่ของเราม time, ือไม่ของไม่ใช่ของเราตาเออปากไม่ของโรามือไม่ใช่ของเราเป็นของปัญหาทางนั้นปัญหานี้ก็เป็นของที่ว่าลงมุดของธรรมชาติทางนั้นในโลกนี้เป็นของธรรมชาติทางนั้นไม่ได้เป็นของเราถ้าโราถ้าเรามาอยู่ธรรมชาติแล้วเราอยู่เหนือธรรมชาติเราไม่เอาแล้วนี่เราไม่เอาแล้วนี่เกิดในคือ เป็นชาตุ ท, ท, ท า, ายแล้วโรยน้อยจบแล้วโรยเอาแลวไม่มีอะไรเออ เ, เกิไไดไม่ใช่ของเราแกไม่ใช่ของเราแก่ไมของเราใจไม่ใช่ของเราทุกสิกงอย่างไม่ใช่ของเราของธรรมชาติทั้งนั้นแล้ออาอะไรอีกนี่เล็กดีลม น, นั่งที่ชามบ้ากรักษาชีวิตอย่างเดียว ไม่ต้องอ่อนเลยคือนี่เราไอเนี้ยเห็นเรารู้เห็นรู้แล้วไปพูดได้ได้พูได้เอ๊อันเป็นอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนั้นนี่นี่เห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เราเจ็บนี่เราจะอยู่อย่างนั้นเลยยูท่าบายไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเด็ไม่นกองตัวตายไม่ต้องไม่ใช่เราตายไม่ใชเราจ็ เออไม่ใช we mm ่เรองทุกไม่ใช่เรื่องของเรื S <S ่องของธรรมชาติต่างนั้นแล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยนี <h <h ่คืออย่างสบัยอยู <h <h ่อยู่อย่างสบายแล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วอย่างนี้แหละอาจารย์เออไม่อะไรไม่เีอะไรยขออย่างเดียวให้จิตสัดบูชิดเลกนั่นจะไปในพานเป็นนี่แล้วเออไม่มีอะไรเลยถ้าเราไม่เอาว่าอะไรเลยอืมไรจะไม่ติดจิตเราเลยถ้าเรายึดถ้าเรายัางยึด เออสิ่งนั้นของเราสิ่งเออคิตเราต้องมาเกิด อ, อีกเลยนี่คือมันอมันต้องมาเกิด อ, อีกในรูปนี้ถ้ า, าว่างไปแล้วจิตเราว่างแล้วเออมันไม่ติดแล้วมันไม่อะไรแล้วมันว่างไปแล้วเออเรามาว่างเรามาไม่มาตาอะไรมาเออมาจิต ว, ว่างแล้วล่าไปห้อ ย, ยว่างด้วยนี่นี่เออนี่พอไปเออ บ, บางทีตอนเราจะกลับอ่ตอนไป่จากลับนั้นคือจิดของเรามันมาก คุณเรามาลงก็แเลยมาลงสมบัติของธรรมชาติของโลกมันติดไปเลยคือไปงอไอตัวที่เล็กและเราต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกเนี่ยอย่างนี้ไอตัวนี้ไอตัวกี่เล็ดมันนำมาเกิดอีก ถ้าเราไม่มีสีเลนแล้วไม่จะไม่นํามาเคยแล้วเราต้องไปอยู่กับพุทธะแน่นอนอย่างนี้และพุทอย่างนี้ที่โยงพ่ออย่างนี้นะคิดทําอย่างนี้ที่ถึงจากจิตอย่างนี้เอออยากคิดจริงๆไม่ได้เรียนอะไรเลยเกิดจากจิตจริงๆวะเออไต้องอย่างนี้แน่นอนต้องรักษาจิตให้สะอาดจริงๆหมดทุกจริงๆแน่นอนใหา้สะาดหมดจิตให้หมดจากสิเลตเครื่องสมองจริงๆงั้นจะไปนิพพานได้ถ้าอย่างนั้นไปไม่ได้ไ น, อ น, นอนนีงอย่างนี้แล้ว ก็ไม่เคยจริงๆเราจะไม่สามารถเคยตองดังนี้ต้องพยายามล้างจิตให้สะอาดจริงๆเพราะว่าเดียวนี้คือโรคมันก็ต้มังเอาอ่มังเอาเชื่อโรคเข้ามาจิตเอาเอาอ่าเชื่อโรคเข้าม่างกายเพราะ่างกายกองทางกายกับจิตนี้คือสำคัญคือคือสมาพวะเอาเออเอาโรคมาใส่ในจิต เอาโรคมาใส่ร่างกายอย่างนี้ถ้าเรารู้เอ้ยสิ่งที่ไม่ดีเอาไม่ออกเอาเลยไม่เอาข้ามในจิตเลยในร่างกายไม่เอาเลยสิ่งที่มาดีเอาสิ่งดีดีเข้าในจิตเข้าในร่างกายเลยตรงนั้นและวเราจะสบายต่างโลกนี้ลูกนะเดื่องนี้เรายู่นิ่ผ่านแล้ว นิพานอยู่ทุกวันเลยนั่งนิพานนอนนินอนนิพานนี่นี่อย่างนี้เออนิพานยังพบไม่ทุกอะไเลยไม่อวาจะังนิพานอยู่แล้วเรานี้พานในโลกนี้โตไปเราหนี้พานไปลลกนุ่งรวยเราหนี้พานไปก่อนนิพานก่อนตายแล้วยัน 你饭干晒，你饭了到你吃饭了，到咪我话来咪几大来咪我讲呢，讲口上咪在变讲老变讲淡咪出等，又咪又叻当肥米饭，又咪肥米饭，我讲到你阿在讲。